ตั้งใจทำรวมใจของตนให้ดีตั้งอกตั้งใจเรามาทำความดีกันไม่ใช่มาเล่นเล่นอยู่เฉยๆอยู่ในวัดวาศาสานานี่นะต้องเป็นผู้มั่นผู้ขยัน ไม่เช่นนั้นเราก็เป็นหนี้บุญคุณของชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาอุปการะเกื้อกูลเราด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นเคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันเนี่ยควรจะตื่นตัวกันเราอย่าทำตัวเป็นเหมือนหมู อันหมูนัะนะ่นอะเมื่อหิวมาก็ร้องหาอาหารเมื่อเจ้าของเขาเอามาให้กินแล้วกินนิ่มแล้วก็นอนอยู่งั้นแหละนอนตื่นมาแล้วหิวร้องอีกไม่ได้เรื่องอะไรหมูมีแต่ร้องกินอาหาร เขาเลี้ยงใหญ่แล้วเขาเอาไปเชือดคอนำเนื้อมันขายเลี้ยงขี้ไปนี่โอปปามาได้เหมือนอย่างบุคคลผู้เป็นนักบวชถ้าหากว่ามัวเมาเะเกียดคร้านอยู่ไม่ทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์ ที่นี่ก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณของชาวบ้านเขาผู้มีอุปการะตายแล้วก็ต้องไปเป็นคนใชายเขาไปเกิดเป็นคนชายเขาต้องใช้หนี้บุญคุณนี่นั่นนี่จนกว่ามันจะหมดหรือถ้าไม่เกิดเป็นคนก็เป็นสัตว์เป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นมา้า รับใช้เขาอันนี้ได้คือว่ามันเป็นไปได้กรรมนี่นะเอว่าบุญมีจริงคุณมีจริงกัอย่างที่เคยพูดอยู่แล้วก็ขเขาให้แก่เราเขาก็มีคุณต่อเราอย่างนี้นะแม่เราให้คนอื่นเขา แล้วก็มีคุณต่อเขาเขาก็เป็นลูกหนี้เราอืมมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่แล้วเขาไม่ได้มาเรียกเอาค่านี่ค่าสินอะไรดอกไอ้คนพูกเขาให้เขาบริจาคทานมาเขาก็ให้ด้วยความเต็มใจให้แล้วเขาก็แล้วไปเขาก็นึกขับถือว่าเขาได้บุญกุศล แต่เราผู้รับทานเขานี่สิมันมีปัญหาถ้ า, าว่าเราไม่ภากเปลียนไม่ยามทำกิเลสตันหาให้น้อยเบาบางออกจากจิตใจสะสมกิเลสให้หนาไวาเหมือนแต่ยังเป็นเครือข่ายจวงนี่นะมันก็ไม่มีคุณความดีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจได้ บุญกุศลก็เกิดไม่ได้ถ้าสะพมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเราอย่าว่าแต่คุณธรรมอื่นๆเลยแต่บุญกุศลก็เกิดไม่ได้บุญกุศลมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นชาระจิตใจผ่องใสจากกิเลสบาปธรรมต่างๆในขั้นนั้นนะ เมื่อกิเลสตอนนั้นมันดับไปแล้วบุญกุศลมันถึงก่เกิดขึ้นมาได้เหมือนเป็นอย่างนั้นถ้ากีิเลสปาปธรรมมันหุ้มห่ออยู่บุญก็เกิดไม่ได้เหมือนอย่างแผ่นดินถ้ามีต้นไม้อื่นปกคุมอยู่บริเวณนั้นแล้วต้นไม้อื่นขึ้นไม่ได้เลยบริเวณนั้น ต่อเมื่อได้ตัดต้นไม้นั้นออกแล้วแสงแดดส่องเข้ามาถึง้วบ่านี่ต้นไม้อื่นจึงโผล่ขึ้นมาได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยในเมื่อกิเลสเข้าไปคลองจิตใจอยู่แล้วมันไปปกคลุมหมดมบุญกุศลความดีเกิดขึ้นไม่ได้มันก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ ทีนี้เ่อบุคคลมาเพียรพยายามละกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิตใจบุญมันก็ค่อยโผขึ้นมาขึ้นมาในใจก็ที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเช่นว่าเมื่อบุคคลมาละความโกรธออกไปจากกิตใจแล้วอย่างนี้เมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นแทน รือว่าเมตตาธรรมมันเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็บนเทาลงอันสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมากแล้วสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แต่ก่อนมีกำลังน้อยกว่ามันก็ถอยออกไปมันทูก้กำลังส่วนใหญ่ไม่ได้ดังนั้นการละกิเลสเนี่ยเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นให้มากให้มีกำลัง มากกว่าอำนาจของกิเลสนั้นกิเลสันถึงบรรเทาเาบาวางลงไปได้มันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจเหมือนอย่างไฟไม่เรือนอย่างนี้นะเ้าเอาน้ำไปดับถ้าน้ำน้อยกว่าไฟไฟไม่ดับเลยไม่ลุกลามไปทั่วเลยถ้าน้ำมันมากกว่าไฟเข้าไปแล้ววันนี้ไฟทนไม่ไหวจะ ต, ต้องดับลงนี่ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราสร้างคุณธรรมให้มากขึ้นในจิตใจแล้วเช่นนี้นั้นกิเลส ท, ที่มันหมักหมมอยู่ในใจมาติดอมตะนานมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ประมาทนะเราบำเพ็ญกุศลรมติดต่อกันไปเรื่อยๆ ก็คือหมายความว่ารักษาจิตใจนี่แหละให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณเส ม, มอไปเรื่อยๆไม่ให้ใจมันวิตกไปทางบาปอากุศลไม่ให้มันวิตกไปในทางเรื่องที่มันไม่เป็นสาระประโยชน์นั่นควบคุมจิตให้วิตกอยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมเช่นนี้นะ ชื่อว่ารักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมถ้าไม่ควบคุมจิตใจอย่างว่านี่นะมันเสื่อมได้บุญกุศลคุณความดีต่างๆที่ทํามาต้องให้เข้าใจถ้าไม่เป็นอย่างว่านะพระองค์จะแสดงความเพียรสี่ประการไว้อย่างไงเล่าอนอเพียรระวังไม่บาปเกิดขึ้นในสันดาน เราระมัดระวังก็ไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเกิดขึ้นในสันดานพูดง่ายๆนะยีถ้าวิาเลสสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในใจทีนี้ก็รีบเพียนมายามละวิเลสเหล่านั้นออกไปเสียอย่าให้มัน อย่าให้มันก่อตัวขึ้นมากมากมันจะขับไล่ออกไปไม่ได้เมื่อมันมีอำนาจเหนือจิตใจแล้ ว, หลวเหตุใดพระองค์จึงสอนให้รีบทำความเพียรละมันไปเรื่อยๆเขี่นความโกรธอย่างว่านี่แหละแม้น้อยหนึ่งก็อย่าให้มีอยู่ในใจอย่าไปนึ ก, กว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอก ดังเดาไฟนะการไม่ขิดไฟก้านเดียวจุดสูบุหรี่แล้วโยนทิ้งไปไปถูกเชื้อไฟไปถูกผ้าแห้งบอของเป็นเชื้อเพลิงต่างนีอ่อ้าวมันก็ลุกเป็นไฟขึ้นเลยไม่บ้านไม่เมืองโวดวายเพราะไม่ขิดก้านเดียวแท้ๆนะมีอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่นะ มันเป็นอย่างนี้แหละอันเปรียบได้กับกิเลสกิเลสี่แม้น้อยหนึ่งก็เหมือนกันมีอยู่น้อยหนึ่งจริงอยู่แต่เมื่อมันได้เชื้อภายนอกเข้าไปแล้วมันก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับไปเหมือนอย่างไฟมันได้เชื้อนั่นแหละแล้ก็ลุกพองมากขึ้นมากขึ้นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน้อยหนึ่งก็จะให้อย่าส่งเสริมมันต้องละมันกิเลสตรงนี้นะอย่า ง, งั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ความหมายของการทำความเพียรอย่างนี้เมื่อพยายามละกิเลสอันบรนเศ้าเอามันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจนี้ออกไป กูสอนทำมมันก็โผล่ขึ้นมาความเมตตากรุณาความสันโดษกินดีตามมีตามได้มันก็เกิดขึ้นแทนความโลภอละไรอย่างนี้แหละสติปัญญามันก็เกิดขึ้นแทนความโกรธแทนความหลงนั่นบุคคลผู้าภาวนาทําใจสงบลงไปแล้วอันปัญญามันจะไม่เกิดและไม่มี แต่ว่าเราต้องประกอบคือต้องพิจารณาต้องแยกแยะต้องคน้นคว้าหาเหตุาผลมาประกอบในเรื่องหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะถ้าไปสงบนิ่งเฉยเคอยปญัญญามันเกิดเองนะ่ะไม่ได้มันต้องหัดนึกหัดคิดหัดวิจารเหตุผลของชีวิตนี่นะเราจับเรื่องใดไ ด, ได้แล้วก็มาวิจาร ดูความจริงของชีวิตนี่มันเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็เคยพูดมาอยู่บ่อยๆแล้วเพราะชีวิตนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยนำมาเกิดข้อนี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละพระองค์ตัดสรุแจ้งก่อนคนทั้งหลายทั้งหมดเลยนั่นแหะจึงได้ นำมาแสดงให้พุธ ท, ทธบริษัททั้งหลายฟังว่าคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของนตนเน่ะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทํามาแล้วพระองค์เจ้าจึงมายืนยันอยู่ในข้อนี้แหละชีวิตของคนเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะมีความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงมันขึ้นอยู่กับกรรมกับกรรมคือการกระทํา ที่ตนได้ทามาแล้วแต่ในอดีตหนังมันติดสอยห้อยตามมาให้ผลเมื่อตนทำกรรมบันไดไว้กรรมนั้นก็ติดสอยห้อยตามมาอำนวยผลให้ถ้ากรรมดีอำนวยผลนี่ก็มีความสุขความเจริญไปถ้ากรรมชั่วอำนวยผลให้ก็มีทุกข์ทนทรมานไปดังนั้นชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยจึงไม่สม่มเสมอกัน ไม่เป็นทุกข์เสมอกันไม่เป็นทุกข์เสมอกันเนื่องมาแต่ต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมามากน้อยต่างกันไม่เท่ากันเหตุต่างนั้นชีวิตมันถึงไม่เหมือนกันเราสังเกตดูในโลกนี้เนะี่ยบางคนก็รวยเอาซะจริงๆรินเกิดจะไม่มีที่จะไว้แล้วแหละ แต่บางคนก็จนเอาซะจริงๆจนไม่มีข้าวจะกอกหม้อแต่ละวันต้องไปรับจ้างทํางานในเขาสะกนได้เงนินได้ทองมาเล็กน้อยเอาไปซื้อข้าวเอาไปกรอกหมอ้อบนขว่านพอได้ไปทางชีวิตไปวันวันนี่ไอ้ผู้จนก็จนเอาจริงๆนะจะไปโทษใครก็ไม่ได้วันนี่ไปโทษคนอื่นเรไม่เลี้ยงแลไม่ สงข้อาะสงหาอา้าวคนทั้งโลกใครไป ส, สงเคราะใครบาดไว้แล้วเขาสงเคราะห์เขาสงเคราะได้เป็นครัง้งเป็นคราวเท่านั้นแหลผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะอจะไปให้เขาเลี้ยงจนร่าเท่าว่าแก่จนว่าตายอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงอ่ะทุกคนก็ต้องพึ่งตัวเองเกิดมามีรูปมีนามนี่มาแล้ว เร่นเสียแต่คนทุพพลภาพไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้อันนั้นรัศวาลช่วยจริงไงจนจะตั้งเป็นกลมปิชาสงเคราะห์ขึ้นมานั่นแหละเป็นอย่างนั้นก็เพื่อสงเคราะห์คนจนคนคนเอา ม, ามีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์หรือว่าคนยากจนคนแค้น จนไม่มีข้าวจะ ก, กินอย่างนี้นะเมือเ่อกระเสบกระสนไปหากรมประชาสงเคราะห์เขาก็เลี้ยงดูไปพักหนึ่งแล้วเขาให้หางานได้ทำติดต่องานให้เมื่อได้งานแล้วเขาก็ให้ไปทำงานเลี้ยงตัวเองเอาไม่ใช่ว่ากรมประชาสงเคาจะเลี้ยงไปจนตลอดหมดอายุสังขาร น, นะไม่ใช่ อันนี้เราคิดตัวความเป็นมาของชีวิตของมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายนะมันต่างกันยังไงอะ่ะมันต้องภาวนาเนี่ยต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตนี่แหละมันจึงเห็นช่องทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้อ่าถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นว่าชีวิตนี่เห็นที่มันจะตกต่ำ ยากจนคนแค้นเพราะบุคคลผู้นั้นประมาทมาแต่ชาติก่อนไม่ทำความดีทำแต่ความชั่วใส่ตัวมากมายผูใ้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้ชาตินี้มาเราจะทำความดีแม้จะยากจนคนแค้นยังไงเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนใครเราจะทำบุญนำทานเราหาได้น้อยก็จะให้ทานตามน้อยเราจะปฏิเสธมาให้เสียเลย ถ้าต่อไปเราก็ยิ่งจะยากจนขนแค้นลงเป็นทุกข์ลำบากกลัวนี้คิดได้อย่างนี้แล้วหาเงินหน้าทองเข้าของอะไรได้ก็ แ, แบ่งให้ทานบ้างกินบ้างไส้ซอยบ้างไอคนยากจนนี่ให้ทานน่ะได้บุญหลายอ่ะเพราะว่ามันห่วเห็นมีของมีน้อยเดียว มันยังตัดสินใจให้ทานลงไปได้อย่างนี้นะซึ่งคนท่าว่าไม่เชื่อทานไม่เชื่อผลของทานจริงๆแล้วมันให้ทานไม่ได้เลยเอา้าให้เพื่อนก็อดตัวสิงดตัวสิมันมีความคิดอย่างนี้โผล่ขึ้นมาในใจิตใจแต่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าผู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานั่นแล้ว อา้าถ้าตนไม่ให้ทานในชาตินี้ต่อไปตนก็ยิ่งจะเป็นทุกข์ยิ่งกว่านี้เอกเพราะฉะนั้นอย่าให้มันทุกข์อย่างนี้ต่อไปเลยเบื้องหน้าให้มันทุกข์แต่ชาตินี้เถิดชาติหน้าก็อย่าให้ทุกข์เลยอย่างนี้นี่ยคิดแล้วก็ทําบุญได้ทานลงไปแม้ว่าตนจะอดอยากเอาว่างก็อดเอาอเวลาอดก็อดเอาว่างทำบุญได้ทานไปอย่างเนี้ยมีอนิสงส์มาก ถ้าบุคคลใดไม่เริ่มทําบุญทาทานนี้ไปก่อนบุคคลนั้นจะไม่ได้ร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่เกิดไปธาตุใดก็จะไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉ า, านเป็นเปรตเป็นอะไรไปนั่นะเอในในตาราเปรตนั้นท่านกล่าวไว้ว่าเปรตนี่นะ่ะอดอยากมักแค้น ไม่มีอาหารจะกินหิวโหยโรยแรงอยู่อย่างนั้นเลยเพราะอะไรเล่าเพราะว่าแตเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญํำทานแต่ว่าไม่ได้ทำบาปนักหนาไม่ถึงกับได้ไปลงนรกก็เลยเกิดเป็นเปรตล้วก็ะเสวยมีบาทกรรมของความเป็นเปรตอันนั้นหิวโหยอยู่ยนั้นได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้น จนกัวกรรมนั้นมันจะหมดไปมันถึงจะพ้นจากเปรตนั้นนี่พระพุทธเจ้านั้นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนะจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังดังนั้นนะจึงว่าเรื่องทานการให้การบริจาคนี่อย่าเข้าใจว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญนะ ท้าไมเป็นเรื่องสําคัญบารมีสิบประการพระศาสดาไม่ยกฐานะบารมีไว้ขึ้นต้นเลยทีเดียวแหละแต่นี้พระองค์พิลาเห็นเป็นเรื่องสําคัญมากเหตุนั้นถึงได้ยกฐานะบารมีขึ้นไว้เป็นหัวหน้าหมู่ในบารมีสิบประการนั่นโดยเหตุผลแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นเนี่ เมื่อบุคคลไม่ได้ให้ข้าวน้ําเป็นทานไม่ให้ผ้านุ่งห่มเป็นทานไม่ได้ให้ที่โยเทียไซเป็นทานไม่ให้ยุกกาเป็นทานอย่างนี้นะชีวิตของพวกนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยอันบุคคลจะได้รูปร่างอันสมบูรณ์เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้เพราะผลแห่งทาน ให้ข้าวให้น้ําเป็นทานจะมีผ้านุ่งผ้าห่มอยู่วะนี่ก็เพราะเตชะก่อนได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทา น, นจะมีที่อยู่ที่อาศัยอยู่อย่างนี้กพ็พราะเตชะก่อนได้สร้างปรากนธนุกบา ร, รุงวัดวาศาสนาได้สร้างกุดีวิหารโบสถ์อะไรให้เป็นทานมาการท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มั น, านนานนี้ เลื้ยงมันนะเธ อ, อได้ให้ยุคขยาเป็นทานหมดนี้นะเหมือนไอ้สองเหล่านี้ก็บรรดาลให้มีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็มีผ้านุ่งผ้าหม่มบริบูรณ์ดี อ, อมีที่ดินเป็นของตัวมีเงินมีทองสร้างบ้านอยู่อาศัยสบายสบายออร่างกายก็ด ไม่ค่อยมีโรคใครเบียดเบียนเพราะอานิสงส์ให้ยาเป็นทานและก็เพราะอานิสงส์ที่แม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นมาแต่กรอนหรือว่าได้เบียดเบียนมาได้ไปเสวยบาปกรรมนั้นแล้ววิบากรรมนั้นหมดไปแล้วบุญกุศลที่ทํามานั้นมันจงให้ผลสืบต่อ อย่างนี้บุคคลถึงมีร่างกายสมบูรณ์บางยุควางแสสมัยก็มีอายุยืนทั้งหมื่นปีสองหมื่นปีเป็นแสนปีก็มีหลายแสนปีก็มีอันนี้คิดให้ดีพิจารณาคำสอนของพระเจ้าให้มันเห็นแจ้งประจับด้วยใจของใครของเรา สำหรับผู้แสดงอยู่นี้เชื่อร้อยเอร์เซนต์เลยเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แสดงเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ด, ดังแสดงมานี่แหละคดเชื่อนั่นแหละถึงได้นำมาแสดงให้ผู้อื่นฟังถ้าไม่เชื่อแล้วไม่นำมาแสดงเลยเชื่อมั่นว่าในเหตุปัจจัย คือบุญและบาปนี่นะที่บุคคลกระทามาในชาติก่อนน์มันติดถอยห้อยตามมาตกแต่งความสุขหรือความทุกข์ให้ในชาติปัจจุบันนี้อย่างนี้นะไม่ใช่เทวดาอินพรมอะไรมานิลมิตรมาโดนบันดาลให้เกิดมาเป็นคนโดนบันดาลให้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้พระองค์ไม่ตรัสเลยอย่างนี้นะ่ะไม่มี เพราะมันไม่มีพระองค์ก็จะไปตัดยังไงแล้วมันเป็นไปไม่ได้มีแต่พวกพรามศาสนาพรามนั่นแหละเขาถือว่าชาติตระกูลโคตรของพรามนั่นนะเขาถือว่าเกิดมาจากปากของท้ามหาพรหมท้ามหาพรหมนิรมิตให้ออกมาทางปาก เขาจึงได้หยิงในศักดิ์ศรีในตระ ก, กูลในชาติของเขาเขาจะไม่ยอมร่วมชาติอื่นวันนะอื่นเลยตระ ก, กูลอื่นเลยอืมันนี้เขาถือว่าพวกกษัตริย์นี่เกิดจากหน้าอกของท้ามหาพรหมเขาให้เกียรติหน่อยนึงอืันนี้พวกพ่อค้า ชาวนาอันนี้เกิดจากท้องของเท้ามาหาพรหมมืนอในพวกคนจันทานพวกกรรมกรคนงานหาเช่ากินข้านี่เกิดจากเท้ามาหาพรหมนี่เขาถือกันอย่างนั้นพวกพรามแต่สมัยก่อนนะเดียนีมันจะว่าไงก็ไม่รู้หรอกแต่แล้วเรื่อง ความเห็นของพวกเรารนั้นพระศ า, าสดาไม่รับรองพระองค์เจ้าจึงสอนให้พวกพรามเหล่านั้นละเว้นพวกใจเข้าไปเฝ้าพระองค์นะให้มาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทาของตัวเองนี่นั่นมันแน่นอนกว่าเมื่อตนทำดีแล้วมันจะไม่ดีไม่ได้ดีนะไม่มีหรอกในโลกนี้ ตนทำชั่วแล้วมันจะไม่ได้ชั่วนั้นก็ไม่มีู้ไรทำกรรมอะไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นหลยเมื่อผู้มาเห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี้แล้วมันก็ศึกษาอะไรเนาะกรรมชั่วนี่กศึกษาเลยเมื่อตนมีความเชื่อว่ากรรมชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์แล้วนะอะไรนเนอะที่ว่ากรรมชั่วอย่างนี้นะ เมื่อฝึกศึกษาไปฟังไปดูตลอรเวลาก็รู้มันก็มีห้าอย่างเท่านั้นแหละคำชั่วนะข้าสัตว์ึงรักทรัพย์ึงประพฤติผิดในกามหนึ่งกล่าวมุสาวาทหนึ่งดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่งนี่มีคำชั่วในโลกนี้นะมีห้าอย่างนี้แหละข้าพุทธิเว้น กรรมห้าอย่างนี้ได้แล้วก็ชื่อว่าเว้นกจากกรรมชั่วทั้งหมดไปเลยให้เข้าใจดังนั้นผู้ใดอยากมีความสุขยั่งยืนนานก็ให้เว้นจากการเบียดเบียนบุบคคลอื่นและสัตว์อื่นเสียโดยประการทั้งปวงเว้นจากการเบียดเบียนตนเช่นเว้นการดื่มเหล้าเมาสุรา กัญชายาฝิ่นเฮโร อ, อีโนนี้เรียกว่าเว้นจากการเบียดเบียนตนเละเพราะบุคคลเมื่อไปท่องเสพของเสพติดอย่างนี้เข้าไปมากมากแล้วฤทธิ์ของยาเสพสิดเหล่านี้มันทําลายอวัยวะภายในให้เสื่อมสมรรถภาพลงไปไม่มีกําลังเรี่ยวแรงอะไรที่จะทําการงานให้เข้มแข็งไปได้ไม่มีคน ต่องเส็บของมืนเมอมากๆเข้าไปแล้วนะร่างกายอ่อนแอลงอย่างนี้นะถ้าหากว่าผู้ใดคิดเห็นแล้วว่าการดื่มเหล้าโมสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนของเสพติดตลอดถึงดมทินเนอร์มูเนียถ้ามองเห็นว่าเป็นเรื่องเบียดเบียนตนให้เป็นทุกข์เปล่าๆอย่างนี้ก็วิจเลยหาทางออกอนะ่ะ ถ้าติดมันมาแล้วก็ดีมียุ่ยาทุกวันในเขามีถ้าสแสวงหาแล้วก็พบเลยที่วัดอริยบันพค์นี่ก็มียาออกเล้าสุรายาฟินมีเพราะฉะนั้นผู้ใดทราบแล้วมีความประสงค์จะออกยากออกจากของเสศพศติดตันี้ล่ะเชิญได้ที่วัดอรญยบัพฑค ตำบลบ้านม้มออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับยินดีเมตตาบริการรักษาให้ฟรีไม่เรียกขนเข้าค่ายาอะไรเลยอันนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงเหลือเกินนะของเสพติดเนี่ยผูใ้ใดได้ยินได้ฟังแล้วขอให้เอาไปคิดไปตรอง แล้วขอให้มองดูรอบๆตัวด้วยมองดูคนที่มันเสพของเสพผิดมากๆแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบางคนก็ไปฉีดเฮโรอีนใส่เส้นประสาทมากเกินไปเส้นประสาทแตกตายอย่างนี้มีอยู่ทั้งไปกัญชาโมนี้นะสูบเข้ามากๆเข้าไปกลายเป็น คนสติวิปลาดไปเลยไม่ไม่มีสติสมรสัส ญ, ญาติสำนึกถึงตัวเองอะไรได้แล้ววันนั้นเนี่ยตุราโมนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าดื่มมากๆเข้าไปแล้วกลายเป็นบ้าไปเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วถ้าบุคคลไม่ไม่ทำลายพิษของตุรานี้ออกจากร่างกายแล้วก็ เป็นบ้าไปอยังนั้นเลยไปแต่ยังออกได้อยู่นะคนที่เดิมจนถึงกับเป็นบ้าอย่างนี้ก็มารับประทานยาที่ว่านี่แล้วสามารถหายได้อ้วนทวนสมบูรณ์ได้ดังนั้ น, นผู้ใดทราบแล้วก็หากว่าตนรักชีวิตของตนไม่อยากเบียดเบียนตนให้เป็นทุกข์ ไปในปัจจุบันและเบื้องหน้าแล้วก็มาเลยมารักษาเสียแลเมื่อข จ, จัดพิษของยาเสพติดนี้ออกจากร่างกายแล้วร่างกายจะสมบูรณ์มีกำลังวางคาดีแล้วก็จะได้เลี้ยงตัวและครอบครัวแล้วก็จะได้ปฏิบัติศีลธรรมให้เกิดให้มีขึ้นจะได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อไป จะไม่ได้ทำชีวิตนี้ให้เป็นหมันถ้าผูใ้ใดยังออกจากของเสพติดไอ้โทษเหล่านี้ไม่ได้แล้ว ช, ชีวิตของมันก็เป็นหมันเลยทำความดีอะไรก็ไม่ได้มันจะทำได้ยังไงเงินทอง ม, มีเท่าไหร่เขาไปซื้อของเสพติดที่ตนติดพันมันมาเนน่ะมาบริโภคหมดแล้วอย่างนี้นะมันจะได้ทำความดีอะไรเรา าอาเงินนะทองก็หาเพื่ออันนั้นออไม่ใช่หาเพื่ อ, อยังอื่นนี่ต้องคิดให้มันเห็นบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ให้มาสมบูรณ์บริบูรณ์ดีแล้วนะทําไมยังไปเอาของที่มีพิษนั่นมาทําลายสุขภาพของร่างกายอันนี้ให้เสื่อมโทรมไปไม่สมควรเลยไม่สมกับว่าผู้รักตน ารักตนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเว้นของที่มันให้โทษต่อร่างกายจิตใจสิจึงเรียกว่ารักตนน ะ, ะรักตนแบบไปหาเอาแต่ของมีพิษมีภัยมาสู่ร่างกายจิตใจอันนี้ท่านไม่ได้ว่ารักตนแบบนี้นะคนเกลียดชั้งตัวเองนะอย่าให้ตัวเองนั่น เสืบโทมลงไปตายไวๆเข้าไปหมดปัญญาหากินเพราะว่าฤทธิ์ของยาเสพติดมันปิดบังปัญญาไม่หมดเลยคนเราก็คิดสั้นเข้าไปแล้ววันนี้นะหมดปัญญาแล้วอะยังามาฆ่าตัวตายอยู่ในโลกอันนี้มากมายนี่ก็เพราะเหตุ น, นี้แหละทาชั่วใส่ตัวแล้วมันจนมุมสิวันนี้ ไม่มีทางออกปัญญาที่จะไปหาทรัพย์สินเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่มีคุณร้อนอะไรก็ไม่มีเลยกำลังกายก็อ่อนแอจะไปขุดดินฟันไม้เลยไมมรับจ้างทำงานการก่อสร้างอะไรยกของหนักของหนา ก, กก็ไม่ได้เนี่ยเราคิดดูคนเสพของเสพติดนี่มีแต่คอยเกาะกินกับผู้อื่นไปวันวันไปอย่างนั้นแหละ นี่ที่พูดว่านี่ก็เพื่อเตือนใจของเพื่อนมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้ตื่นตัวถ้าผู้ใดไม่ได้ยังไม่ได้ท่องเสพของเสพติดเหล่นี้ก็ยาซ่องเสบมันเลยให้เว้นโดยเด็ดขาดไปถ้าผู้ใดยังได้ท่องเสบมาติดมันมาก็ขอให้พยายามออกซะ เรายังไม่สายเกินไปยังมีโอกาสที่จะทำชีวิตของตนให้สดใสให้เบิกบานได้เหมือนอย่างคนธรรมดาทั่ทวไปยังมีเวลาอยู่เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเชื่อมั่นในคำสอนของพระเจ้านี้แล้วเราจะมีความสุขความเจริญจริงๆอ คนไม่เชื่อคำสอนของพระเจ้านั่นสิตกุุกได้ยากทำกรรมชั่วใส่ตัวเองอยู่ในโลกอันนี้นะแล้วก็ตายแล้วก็ไปเออัดกันอยู่ในนรกเหมือนเข้าสารยัดไถ่หน่อย่างนี้นะน่าทุเรศทจริงๆนะคนไม่รักตัวเองนะแต่รักกิเลสตัณหาน่นนะยิ่งกว่ารักตัวเองคนส่วนมากไป็อย่างนี้แหละ ตัณหามันกระทิบอยากอยากอะไรอยากได้อะไรมันจะเป็นบาปเป็นโทษก็ไปตามมันเลยนั่นไม่จะว่าไม่รักตัณหายิ่งกว่าตนยังไงแล้วถ้าหาบุคคลรักตนยิ่งกว่าตัณหายางนี้ตัณหามันจูงใจจะให้ไปทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเช่นนี้ละ่ะก็ไม่ไปตามมันอ่ะ ไม่ไปตามมันหากข้ามจิตใจของตนเองไวเพราะว่าตัณหาความอยากก็จิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่มันมาสวมเอาเองไม่ใช่จิตนี้คิดขึ้นด่างหางนี้คิดอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ท่านกบ็บรรยายว่าตัณหาเป็นอย่างนี้นะดังนั้นผู้ใดมาภาวนามาควบคุมจิตด้วย ส, สติสัมปชัญญะ เมื่อให้ความอยากเหล่านี้มันท่วมทนจิตใจเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่หันเหไปทําความชั่วเพราะว่ามันรู้นี่ว่าอันนั้นมันชั่วทําอย่างนั้นมันชั่วมันนํามาซึ่งทุกข์เมื่อใจตร้างมันแล้วมันรู้นะนั่นเลยเมื่อรู้งนั้นแล้วมันแม้มันจะอยากอยู่ก็ไม่ไปตามมันแล้วเมื่อไม่ไปตามความอยากนั้นแล้วความอยากนั้นก็ดับไป ถ้าเราอยากในสิ่งที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์นะมันไม่เป็นโทษอันนี้นะอออยากได้เงินอยากได้ทองเข้าของมาเพื่อเลี้ยงตัวและมารดาบิดดาบุตรภรรยาบ่าไพรเป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขเก็บหอมรอมริบไว้บางอย่างบางส่วนฝากธนาคารไว้เพื่อบำบัดอันตรายที่เกิดในเหตุต่างๆ ส่วนหนึ่งก็แบ่งออกทาบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนไปที่เป็นญาติมีมารดาบิดาเป็นต้นก็ดีหรือว่าสพรพสัตทั้งหลายอื่นๆในโลกที่ยังคล่องอยู่ในโลกอันเนี้ยส่วนหนึ่งก็บริจาคทานแก่สมณาพรามผู้ประพฤตชอบพระ ส, ตสาตรทรงสอนให้แสวงหาเงินดองเข้าของด้วยความหมั่นความขยัน จะแสวงหาในทางที่ชอบเมื่อได้มาแล้วก็ให้รู้จักแบ่ ง, บงสันปันส่วนใช้สอยให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้เนี่ยไม่ไม่ใช้เงินทองแนละ้วไปซื้อฟิ่นชื้อกันซาซื้อเฮโลอินมาสูกเอาไปเล่นการพนันขันต่อให้เสียหายปนปี่ไปเอาไปเข้าในคลับไป เสียเงินเทียทองให้หญิงบริการต่างๆหมู่นี้นะทั้งที่บางคนมีเมียอยู่แล้วก็ยังยั ง, ย, งยังดิ้นรนไปหาช่องอย่างนั้นก็ยังมีอยู่นี่นั่นลงแล้วมันจะไปสะสมเงินทองไปได้ยังไงอ่ะในหายใจื้อ ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวในพัจจัยของค้าของเสพติดต่างๆบุหรี่อย่างนี้มันกระซองละสามสิบตีสิบบาทขึ้นไปทุกวันนี่นะเล่าบนนี้มันมีแต่ของแพงๆทท้ง น, นั้นเลยแล้วรายได้มันลดน้อยกว่ารายจ่ายบานี่บางรายก็ไปติดหนี้เขาไว้อ้าว เมื่อตนมีรายได้อะไรมาเขาก็มาทวงเอาเป็นข้าราชการเขาก็ไปหักเงินเดือนเอากับเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนนู่นไออย่างนี้เนี่ยมันทำลายอนาคตของชีวิตลงไปมดเลยคนเรานะก็ขอให้พากันคิดกันกลองให้ดี บุคคลผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายนะท่านจึงได้เว้นจากของเสพติดในโทษต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าเป็นกระลึงหัดอย่างนี้เว้นของเสพติดต่างๆเหล่านี้ได้แล้วแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรได้มาแล้วมันก็เหลือที่มันก็ได้เก็บได้ฝากธนาคารได้แบ่งไว้ใช้จ่าย ใ, ในครอบครัวตัวเรือนที่จำเป็น เช่นอาหารการบริโภคอย่างนี้เป็นของจำเป็นเน่ยไม่ได้รับประทานก็ไม่อยู่ไม่ได้นี่หาเงินนะทองมาเราต้องเผื่อใช้จ่าย ใ, ในการบารุงระากายสังขารนี้ด้วยอาหารการบริโภคผ้าหนุ่งผ้าหมไปอย่างนี้นี่มันก็ไม่ถึงกับยากจนเท่าไหร่นะคนเราถ้าหากว่าใช้จ่ายแต่ในสิ่งจำเป็นเนี่ย สิ่งดใดมาในโทษเราเว้นเสียแล้วอย่างนี้นะอแล้วเราก็มีโอกาสได้ทําบุญทําทานเพราะเงินเหลือใช้ออแต่ถ้าไปจ่ายใช้จ่ายกับของเสพติดอย่างว่านั้นแล้วไม่มีทางนะผู้มีรายได้น้อยนะแม้จะจ่ายใช้จ่ายในครอบครัวนั้นก็ยังไม่พอเพราะเอาไปซื้อของเสพติดในโทษเสียจมากต่อ ม, มาก ผูเป็นนักบวชอย่างนี้ถ้าไปติดบุรีอย่างนี้นะอา่าพิวรเล่านันก็มีน้อยหรอกที่จะไปดื่มกันนะส่วนมากบุรีนี่แหละนักบวชนี่คดีติดงอมแงมกันเลยไม่ได้สูบอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้จะไม่ให้มันล่วงวินัยยังไงเราไปหลอกลวงเอาแหละเอานี่ไป กระจกปัดแจงชาวบ้านเขาอะไรก็ได้หานายมายหาเงินแหอะได้เงินมาแล้วไปซื้อซื้อเอาบุหรี่มาสูบอย่างนี้นะแล้วทำให้ศีลเศร้าหมองขาดไปล่วงวินัยไปนำมันนี้มันจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงการบุพเพพรมจันทร์นั่นของของอะไนี่ของเสพติดเมื่อมันติดแล้วไม่ได้สูกมันอยู่ไม่ได้มันไม่เป็นสุขเลย อมันกระสับกระส่ายอยู่หัวนั้นอย่างนี้เลยแล้วเป็นนักบวชแล้วมันจะเจริญไปได้ยังไงอ่ะแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่สามารถที่จะเ อ, อบริจาคทานมุรหัว น, นี้ให้นักบวชมาสู้กันหามลุ่งหามคั่มอย่างนี้ใครละเขาจะ่ไปมีศรัทธาเชื่อมาถวายมากมายกายกอง น, นานๆเขาก็ถวายทีหนึง เช่นไปทําบุญบ้านบุญเรือนอย่างนี้นะ เ, เขาก็เอาถวายไปแล้วก็แล้วไปเท่านั้นเลยนอกจากนั้นไปแล้วก็ตัวเองก็หาสูบเองไงนั่นแล้วอย่างนี้มันจะไม่เดือดร้อนอยังไงแล้วมันจะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้สะดวกยังไงอะาหาผู้ใดเป็นนักบวีใยเว้นของเสพติด ตัวประกานทั้งพวงได้แล้วนี่มันแสนสบายเลยไม่มีเงินมีทองอะไรก็อยู่ได้เพราะว่าอาหารการบริโภคนั้นอาศัยชาวบ้านบินดาบมีผู้ศรัทธาใส่บาตรให้เขาไม่ได้ใส่บุหรี่ให้นะเขาใส่ข้าวกับของกลับให้เมันไปนอย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราจำกัดลงแค่อาหารผ้านุ่งว่าห่มที่อยู่ที่อาศัยอย่างว่านี้นะไม่เดือดร้อนนะนักบวชนะมีผู้ยินดีต้อนรับทั้งนั้นเลยไปอยู่ที่ไหนเขาก็นับถือเรื่มใสเพราะว่าเป็นผู้ถือสันโดษตามนี้ตามได้เป็นผู้มักน้อยเป็นผู้ไม่ทําความชั่วใส่ตัวเองรักษาความดีของตนไว่เหมือนเกลือรักษาความเค็ม อย่างนั้นนะรักษาจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไว้ไม่ปล่อยให้กิเลสมันครอบงมจิตใจเจริญปัญญาเห็นความเกิดความดับเห็นความแปรปรวนของร่างกายสังขารทั้งพวงก็ดีสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งพวงก็ดีมันก็มีสภาพเหมือนกันหมดเลย มีเกิดขึ้นแล้วแพร่วนแตกลับไปอยู่อย่างนั้นแตถ้าเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันจะไปป่าถนาอะไรแล้วแม้เงินทองวันนี้มันก็ไม่ป่าถนาถ้าจิตใจมันเห็นแจ้งอย่างว่านี่แต่ถ้ามันมีผู้ถวายมาโดยบริสุทธิ์ใจก็เอา้าใส่สอยไปถ้าไม่มีใครบริจาคถวายแล้วก็ไม่ใช้มันเลยเทำใจอย่างนี้มันได้ใครอยู่ที่ไหนก็ดีเรื่องเงินเงินทองทอง เสียสละลงไปให้ได้ทำอย่างนี้แล้วการประพฤติพรหมจรรย์มันก็จเจริญก้าวหน้าไปได้อเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้ตั้งอยู่ในอระมาตธรรมคือความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าดังที่แนะนำมานี่ หวังว่าก็คงจะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา